สิ่งหนึ่งของท่านนะก็คือการอนุรักษ์ธรรมชาติที่จริงหลวงพ่อคำเขียนท่านไม่ได้รักธรรมชาติมาตั้งแต่เกิดนะก่อนปฏิบัติธรรมท่านก็ไม่ได้เห็นความสำคัญของธรรมชาติเห็นต้นไม้ถ้ามีพราก็ตัดแต่พอได้มาปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าจิตใจรักธรรมชาติขึ้นมาเองเนะพราะการปฏิบัติธรรมทาให้จิตใจอ่อนโยนแล้วก็รู้สึกเป็นอันหนึ่งเดียวกับ ธรรมชาติที่จริงได้เห็นธรรมเนี่ยก็จะทราบซึ้งในธรรมชาตินะเพราะว่าธรรมะกับธรรมชาติก็เป็นเรื่องเดียวกันอันนี้ก็ทําให้ท่านมาเป็นเหตุผลที่ทํำให้ท่านมาปักหลักนะอยู่บนหลังเขาเตั้งแต่ปีสองพันหกแล้วก็ได้ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติแต่ก่อนนี่ธรรมชาติมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนะเพราะว่า การตัดไม้ทำลายป่าก็ไม่ได้เยอะแต่หลังมันก็มีมากขึ้นเลยพราะมีไฟเข้ามาไ่จากไร่ข้างเคียงมีคนมาลักตัดไม้ <c oughs> ท่านก็ถือเป็นเกียรติที่ต้องรักษาธรรมชาติเอาไว้ท่านรักต้นไม้ทุกต้นเห็นต้นไม้ลม้มท่านก็พยายามที่จะช่วยกันรักษาเขาให้รอด เพราะท่านรู้สึกว่าต้นไม้แต่และต้นก็มันก็มีชีวิตเวลาหลวงพ่อเห็นต้นไม้ที่ยังไม่ตายเนี่ยล้มเนี่ยท่านก็รู้สึกวลาต้นไมก้กำลังเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากท่านหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อช่วยด้วยเนี่ยหลวงพ่อท่านเคยพูดอย่างนี้ต้นไม้นี่บอกกับท่านอย่างนีน้นอกจากช่วยต้นไม้แล้วท่านก็เห็นความสําคัญของการปลูกป่าด้วยเพราะต้หลังเนี่ยรักษาอย่างเดียวไม่พอนะ ตามถูกทำลายไปก็ต้องช่วยกันฟื้นฟูขึ้นมาแต่ก่อนก็ทำที่นี่ที่เดียวนะที่จริงก็ไปทำที่ภูเขาทองด้วยแต่ภูเขาทองตอนนั้นที่ทำมาไฟเนี่ยต้นไม้ในวัดไม่เหลือแล้วเพราะเจ้าว่าท่านตัดหมดนะเจ้าว่านี่ชอบเล่นเล้าเช่นชอบเล่นว่าวนะก็เลย ต, ตัดต้นไม้จะได้เล่นว้าสะดวกท่านไปเป็นเจ้าว่าที่นั่นทุกก็ปลูกต้นไม้ขึ้นมาจนระทั่งถ้าเราไปเนี่ยนะภูเขาทองนี้ก็เป็นป่า ย, ย่อมยอมแล้ว แต่ว่าภาระมันไม่ท้าทายไม่หนักเท่าที่สุกโตนะดันั้นท่านก็พยายามรักษาถ้าไม่มีหลวงพ่ออที่นี่ก็คงจะไม่มีป่าให้เราเห็นตอนหลังก็นอกจากปลูกป่าแล้วนะก็พยายามที่จะนะป้องกันไฟไม่ให้เข้าและวิธีที่ได้ผลก็คือการนะสร้างกำแพงล้อมรอบซะเลยนะสร้างเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะก็ได้ผลนะทําให้ไฟนี่ไม่ลุกลามเข้ามา หลังจากนั้นท่านก็เริ่มปลูกป่าจริงจังนะเพราะว่าปลูกแล้วเนี่ยป่ามันก็อยู่รอดได้ไฟไม่เข้ามาพวกที่มาสุกโตนเดยพ่อามาเป็นกลุ่มเนะี่ยเช่นกลุ่มบางจากเนี่ยกลุ่มจำได้นะปีแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้ปลูกป่าที่ไหน่ปลูกป่าที่นี่แหละนะปลูกป่าตั้งแต่อตรงป่าไผ่ไล่เข้าไปนะจนถึงอสุดกําแพงเลยนะ แล้วพอปลูกแล้วเนี่ยมันก็อยู่ได้นะแล้วก็เจริญด้วยเพราะไม่มีสาเข้าคนก็ไม่มาตัดนะต่หลังไม่ใช่แค่ต้นไม้ที่งอกงามอย่างเดียวนะเห็ดก็ขึ้นมาด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะชาวบ้านจากหลายที่ก็มาหาเห็ดกันนะในป่าสุกโตนี่แหละนะมากันเลยขั้วฮะไม่ใช่เฉพาะกลางวันนะกลางคืนเช้ามืดนะหรือว่าดึกดึกก็ยังมากันมาหาเห็ดนะ อันนี้ก็เป็นอันนี้สงที่ท่านเห็นการกลามาตั้งแต่โน้นแล้วว่านะป่านี่มันจะช่วยชาวบ้านได้นะทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงก็เช่นหน่อไม้นะเห็ดหรือว่าสมุนไพราทางอ้อมก็คือการช่วยทำให้ดินฟ้าากาศมันดีนะมีน้ำหลวงพ่อท่านบอกว่าตอนหลัง ท, ท่านก็พอเห็นสุกโตเนี่ยป่าก็ปลอดภัยแล้ว ท่านก็นึกถึงภูหลงจริงๆท่านก่นึกถึงมาตลอดนะแต่ว่าพ อ, อาการปลูกป่าที่นี่สุกโตเบาๆแล้วท่านก็นึกถึงภูหลงท่านก็พูดเคยพูว่าเนี่ยตอนที่ท่านอายุมากแล้ววันเนี่ยท่านจะมีงานหลักอยู่สองอย่างนะนะงานหลักงานหนึ่งก็คือการปลูกป่าที่ภูหลงนะพอาะภูหลงนี่เป็นป่าผื้นใหญ่นะสามพันห้าร้อยไร่ยังไม่นับ ภูเขาข้างเคียงซึ่งก็อยู่ในความดูแลของทางคณะสงฆ์ที่ผู้หลงด้วยรวมแล้วก็ห้าพันก็ไร่นะตอนหลังนี้ทางกลุ่มอย่างบางจากก็ดีนะก็ไปปลูกป่ากันที่นั่นนะมากขึ้นเรื่อยๆจะติดต่อทุกปีปีที่สิบปีที่สิบเอดสิบสองนั้นนะก็ขายที่ได้ไปตั้งแต่ปีแรกๆที่ปลูกป่าที่นั่นก็คงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่า มันก็มีพื้นที่ป่าขยายตัวมากขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องขยายพื้นที่ไปไกลขึ้นนะแต่ก่อนนี่ไม่ต้องไปไกลนะที่ภูลงเนะ่ยไปถึงหน้าวัดก็เดินไปไม่ไกลก็เจอแปลงปลูกปานะ่าแล้วแต่ช่วงสองสามปีหลังเนี่ยแปลงปลูกป่าอยู่ไกลขึ้นเพราะว่าไอ้ที่ใกล้ๆน่ต้นไม้ก็จเจริญงอกงามแนละ้วอย่างเช่นวันนี้ที่เราจะไปปลูกกันนะก็เป็นบริเวณที่เรียกว่าอยู่ชายขอบนะ แต่ก็เป็นเขตสำคัญเป็นเขตยุทธศาสตร์นะนั้นใครที่ว่างนะก็ขอเชิญชวนทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งญ า, าติโยมนะทีบางจารย์นี่ก็เป็นจะเป็นแกนหลักจริงจริงนอกจากที่เห็นอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ก็ยังมีสองสามกลุ่มที่จะตามมานะวันนี้ยลรงเดชสตรีชัยภูมิแล้วก็กลุ่มจาก้อนแก่นอาจารย์สุภานะ ก็จะมาร่วมกันสมทบนะวันนีนะ้จะมีประมาณสี่ห้ากลุ่มนะที่จะไปปลูก ป, ป่ากันรวมทั้งชาว บ, บ้านจากปูเขาทองนะว่าปูเขาทองก็จับจองพื้นที่ส่วนหนึ่งนะเป็นการปลูปปกป่าเพื่ อ, อถวายหลวงพ่อที่จริงการปลูปกป่าในวันนี้แหละนะมันเป็นการทำเพื่อถวายหลวงพ่อนะเป็นอาจรรพ์บูชาเพราะอย่างที่บอกว่าหลวงพ่อท่านซีกหนึ่งของท่านคือการอนุรักษ์ธรรมชาติ แล้วก็ท่านก็รู้สึกอยู่เสมอว่างานของท่านที่ยังไม่ได้ทํางานหนึ่งก็คือการปลูกป่าทําแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้มขน้นสองพรรษาหลังท่านก็ไปอยู่ภูหลงนะแล้วก็ก็ท่านก็ช่วยปลูกป่าตามกําลังของท่านสองพรรษาสุดท้ายหลวงพ่อที่อยู่ภูหลงนะก็เป็นกําลังใจให้กับการไปฟื้นฟูปลูกป่าที่นั่นวันที่ใครว่างก็เชิญได้นะถือว่านอกจากเป็นการไปตอบแทน บุญคุณของธรรมชาติแล้วก็จะเป็นการบูชาคุณหลวงพ่อด้วยที่ท่านปนฏะิทตัวเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาตินอกจากการวัดธรรมชาติแล้วหลวงพอ่อยังบอกอีกสิ่งหนึ่งท่านคือการสอนธรรมะนะการสอนธรรมะก็สอนพวกเรานี่แหละนะที่มาสร้างวัดมาปักหลังที่นี่ก็เพื่อที่ได้สอนธรรมะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยนอกจากการบูชาคุณหลวงพ่อด้วยการไปปลูก ป, ป่าที่ภูหลงแล้วนะ ก็ยัมีการปฏิบัติธรรมนะทั้งภาคบ่ายแล้วก็ภาคกลางคืนนะภาคกลางคืนนี่เราเป็นการปฏิบัติแบบเข้มข้นนะอเป็นการถวายอาจจะรับบูชาแก่หลวงพ่อด้วยการปฏิบัติธรรมข้ามคืนนะไม่ใช่เพื่ออดนอนนะนะอดนอนนั้นไม่ใช่จุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายคือว่าทําความเพียร น, นะเพื่อที่จะฝึกใจของเราให้เข้มแข็งว่าเราจะสู้กความรุ่งได้ไหมนะ มันจะมีความงว่วงมันจะมีความปวดความละนะแล้วก็เอาความเพียของเรานี่แหละทุ่มเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ทําด้วยหน้าตาที่ขําเครียดนะทําด้วยใจที่ผ่อนคลายนะนานปีนั้นะเราจะมีการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าเนสัตชิกเนสัตชิกนี่ก็คือหนึ่งในสิบสามข้อที่เรียกวาทุดงนะวัตุดงคำวัดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเข้าป่านะทัตุดงคำวัดหมายถึงการทําความเพียซึ่งมีสิบสามข้อและข้อหนึ่งคือการอ การไม่หลับนะการไม่นอนไม่เอาหลังแตะพื้นนะทำความเพียรบางทีเราก็เรียกว่าชาคริยานุโยกก็คือทำความเพียรให้ใจมันสว่างนะปีหนึ่งเราก็ทำแค่ครั้งหนึ่งนะหรือว่าสองครั้งนะตอนที่รงศบองเรเระหลวงพ่อเนี่ยวันที่หกกันยานะเราก็ปฏิบัติธรรมข้ามคืนกันนะถือว่าถวายถวายนะทุ่มเทนะความเพียรของเรา นะทุ่มเทกําลังของเรานะทั้งกําลังกายกําลังใจของเราเนี่ยเพื่อถวายกับหลวงพ่อนะแล้วก็คืนนี้ก็จะเป็นอีกคืนหนึ่งนะที่จะมาทํากันนะใครที่ยังไม่เคยก็น่าจะลองดูนะดูว่าเราจะทําได้ไหมอย่าเพิ่งตั้งทงว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้อันนี้รอดแพ้ตั้งแต่แรกแล้วมันยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เห็นทงของคู่ต่อสู้นะอุจจารย์ตัดว่าเนี่ยในการนักปฏิบัติธรรมก็เหมือนการสู้กับ กองทัพเสนามานนะบางคนนี่เพียงแค่เห็นยอดธงนี่ก็บอกไม่ไหวแล้วแพ้แล้วนะไม่ใช่มันต้องต้องประชิญกันซะก่อนนะต้องสู้รบปบมือกันซะก่อนนะแล้วถึงจะค่อยตัดสินว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วนะและหลายคนเนี่ยพวบว่าเอ้ยมันไหวนะทําไปทีละชั่วโมงทีละชั่วโมงทีละครึ่งชั่วโมงทีละครึ่งชั่วโมงมันก็ไปได้นะอันนี้เป็นก็เป็นการทําความเพียรไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อนะแต่เพื่อเรานะ แต่ว่าการทําของเราเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการสนองอคุณหลวงพ่อด้วยนะพราะถ้าเราไม่คิดถึงหลวงพ่อเนี่ยมันก็ไม่มีความเพียรที่จะทําคนเราถ้าคิด ถ, ถึงตัวเองเนี่ยมันไม่อยากจะทําอะไรนะอยากจะสบายแต่คิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงพระัตนัะไตรนะคิดถึงพ่อแม่แล้วเนี่ยนะมันทําให้เกิดกําลังเนเวลาตอบแทนคุณพ่อแม่เนี่ยนะหลายคนก็นึกถึงการกราบเท้าพ่อแม่นะกราบเท้าเสร็กร็สึกปลื้มนะให้คนมาถ่ายรูปขึ้นเฟซบุ๊กนะ แตนั่นไม่ไมสําคัญต่อการดูแลท่านการดูแลท่านเนี่ยมันมันใช้ความเพียรมากกว่าใช้ความอุทิ่ตัวมากกว่าเวลาท่านป่วยก็ดูแลท่านนในฟองเดียวกันนะเวลาจะบูชาคุณหลวงพ่อเนี่ยนะในการที่เอาดอกไม้ทูบเทียนไปถวายท่านเนี่ยไม่ว่ากับท่านโดยตรงหรือว่ากับอัถิท่าของท่านเนี่ยมันก็ไม่ไม่สําคัญไม่มีคุณค่ามาต่าการที่เราทําความเพียรปฏิบัติธรรม วันนั้ก็เรยเป็นการวันนี้เนี่ยเราก็จะเป็นการทําความดีเพื่อถวายหลวงพ่อทั้งในเรื่องของการปลูกป่านะและเรื่องการปลูกสตินะปลูกความรู้สึกตัวในใจเราซึ่งก็จะเราก็จะทําไปถึงวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็จะมีการเปิดพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อด้วยที่ทํามาไฟหวานวัดภูเขาทองนะก็ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะมาร่วมได้ตามกําลังตามเวลาที่มีนะตามสะดวกนะ